ข้อที่7ขาดแบบอุปกรณ์จะเป็นในการก่อสร้างอย่างหนึ่งคือแบบไม่ว่าจะสร้างบ้านสร้างวัดหรือไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่คนหนึ่งคนคนหนึ่งทำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแบบไว้เป็นหลักประกรันข้อตกลงกันระหว่างคนทั้งสองฝ่ายกาสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นของสําคัญหรือใหญ่โต และมีลวดลายห้องหับสลับซับซ้อนมากเขาต้องเขียนแปลนพิมพ์เขียวใส่กระดาษให้ชัดเจนก่อนลงมือทําที่เราเรียกว่าแบบแบลนแล้วช่างกับเจ้าของงานก็ยึดแบบแบลนนั้นเป็นหลักตกลงกันป้องกันการทะเลาะกันภายหลังสุภาษิตโบราณที่เราถือมาแต่โบราณว่าการปลูกเรือนตามใจคนอยู่นั้น เป็นข้อที่ช่างก่อสร้างจะต้องยึดถืออย่างมั่นคงอย่างน้อยก็ช่วยให้หนายจ้างไม่โยกโย่เวลาจ่ายเงินแต่การตามใจคนอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของง่าย้าเกิดไปโดนเอาคนอยู่ใจกลับกรอกเข้าช่างก็หัวหมุนเหมือนกันสั่งให้แก้เท่าไรก็แก้ให้หมดแล้วก็ยังบอกว่าช่างไม่ได้ความอยู่นั่นเองยิ่งถ้าปลูกเรือนหลังเดียวแต่คนอยู่หลายคน การตามใจคนอยู่ก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกเป็นสองเท่าสามเท่าสิ่งที่จะช่วยช่างได้ก็คือแบบเท่านั้นเป็นเวลา น, านานร่วม20ปีแล้วที่วงการศึกษาหรือครูบาอาจารย์ต้องประสบคำตำหนิติเตียนอย่างซ้ำซ้ำซักเกี่ยวกับการเสริมสร้างความประพฤติและนิสัยใจคอของเยาวชนทั้งจากประชาชนจากหนังสือพิมพ์จากกองราชการ และจากบุคคลในวงการศึกษานั่นเองเท่าที่ข้าพเจ้าเฝ้าสังเกตมานานพอสมควรบางคราววงการกระทรวงศึกษาธิการก็รับว่าเป็นความบกพร่องจริงและจะได้หาทางแก้ไขต่อไปแต่บางครั้งก็ทําท่าปฏิเสธแข็งขันว่าการประพฤติเกเรของเด็กๆไม่ใช่ความผิดของกระทรวงศึกษาธิการหากเป็นความผิดของบิดามารดาและผู้ปกครองเด็กต่างหาก และมีบางครั้งอีกเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่ในวงการศึกษาทำท่าจะตกกระไดพลอยโจรคือยอมรับเสียเลยว่าบางสิ่งบางอย่างในความประพฤติของเด็กที่คนทั้งหลายทักท้วงนั้นเป็นความเจริญก้าวหน้าของเด็กในยุคใหม่และตีกลับไปหาคนทักท้วงว่าเป็นคนหัวเก่าล้าสมัยแต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ในวงการศึกษาจะรับหรือปฏิเสธอย่างไรก็ตาม เสียงทักท้วงก็ไม่ได้สั่งซาลงไปมีแต่หนาหูมากขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ำพานจะลามปามเอาผิดกับกระทรวงศึกษาธิการและผู้รับผิดชอบทางการศึกษาเสียอีกด้วยมิใหญ่ว่ากระทรวงศึกษาเองก็ได้เพียรพยายามแก้ไขตัวเป็นเกลียวอยู่แล้วข้าพเจ้าจะไม่ขอวินิจฉัยในแง่ที่ว่าระหว่างผู้ตาหนิกับผู้ถูกตาหนินั้นใครผิดใครถูกเพราะในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้ยอมรับอยู่โดยปริยายแล้วว่าคำทักท้วงที่ว่าเด็กทุกวันนี้มีความประพฤติโน้มเอียงไปทางที่น่าเป็นห่วงอยู่นั้นเป็นความจริงหรืออย่างน้อยก็มีมูลการยอมรับดังกล่าวได้แสดงออกหลายทางอาทิเช่นรัฐบาลได้ตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นตั้งกรรมการวิจัยความประพฤติของเยาวชนตั้งกรรมการวิเคราะห์เกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก และในหลายโอกาสทีเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องความประพฤติของเด็กในคำปราศัยของท่านยิ่งกว่านั้นท่านที่สนใจฟังพระบ ร, รมราโช ว, วาทก็คงจะรำลึกได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรารบถึงความเสื่อมโทรมด้านจริยธรรมของเยาวชนหลายวาระด้วยกันรวมความว่าคาทักท้วงของประชาชน เกี่ยวกับความประพฤติของเด็กสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาอบรมเยาวชนจะพึงรับฟังโดยเคารพอย่างไม่มีปัญหาทั้งนี้รวมทั้งข้าพเจ้าผู้เขียนด้วยความจริงชั่วระยะเวลาร่วม20ปีที่ผ่านมานี้กระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการศึกษาของรัฐ ได้เพียรพยายามยักย้ายถ่ายเทวิธีการอบรมจริยธรรมของเยาวชนตลอดมาแต่มีปัญหาว่าเอจิไนจริงไม่เป็นที่พอใจของผู้ทักท้วงจนแล้วจนรอดผิดกรรำงานของรัฐทางด้านอื่นๆท่าพเจ้าคิดว่าการสร้างจริยธรรมของเยาวชนก็คล้ายๆกับการสร้างอาคารบ้านเรือนั่นเองคือประกอบด้วยคนสองฝ่ายเจ้าของกับช่าง บรรดาบิดามารดาและผู้ปกครองเยาวชนเปรียบเหมือนเจ้าของกระทรวงศึกษาธิการคือผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนช่างมีฝีมือต่างๆกันเวลานี้ผู้รับเหมาก็เจตนาดีคือคิดอยากจะปลูกเรือนตามใจคนอยู่ให้ต้องตามสุภาษิตโบราณเราช่างหรือก็ฝีมือดีๆทั้งนั้นถ้าจะว่ากันให้สุดแถวจริงๆแล้ว ค่าก่อสร้างก็ดีพอสมควรอยู่ไม่ต้องห่วงว่าจะขาดทุนขาดรอนกี่มากน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ให้รู้สึกมีความสงสัยว่าข้อผิดพลาดจะอยู่ตรงที่เราไม่มีแบบละกมังงานก่อสร้างไม่มีแบบนั้นก็อย่างที่พูดแล้วนั่นแหละปวดเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายยิ่งรายใดเจ้าของงานก็จู้จี้แล้วช่างก็หัวดื้อด้วย ไม่พ้นทะเลาะ ก, กันได้เลยคิดดูดีๆแล้วเวลานี้การสร้างจริยธรรมของเยาวชนนั้นเราไม่มีแบบจริงๆคือไม่ได้ตกลงกันให้เป็นที่เด็ดขาดว่าเยาวชนไทยต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างเมื่อแบบที่ประสงค์ไม่มีเราต่างคนต่างคิดและต่างคนต่างทำมันจะถูกใจของคนทุกคนได้อย่างไรเวลานี้แม้จะทดสอบความประพฤติของเด็ก เราก็ไม่ทราบว่าจะเอาหลักอะไรมาตัดสินว่าเขาผิดเขาถูกดีหรือไม่ดีนอกจากการกระทำนั้นจงแจ้งชัดเจนจริงๆเช่นเด็กไปขโมยของเขาแล้วทุกคนลงความเห็นว่าผิดอย่างนี้หมดปัญหาถ้าเป็นความประพฤติรรมดาที่ทำกันอยู่ทั่วไปความเห็นของผู้ใหญ่เองก็ยังขัดกันเด็กชอบเต้นร็อกร้องเพลงฝรั่งทาท่าเหมือนคนเป็นสันนิบาต กระตุกกระตุกผู้ใหญ่บางคนตำหนิว่าไม่ดีแต่บางคนกลับให้รางวัลชมเชยว่าแกทันสมัยเด็กสแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์บางคนตำหนิว่าเด็กหัวแข็งแต่บางคนก็ชมว่านั่นสแสดงว่าเด็กมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยปัญหาเรื่องความสำ ม, มากระวะการดื่มเหล้าดื่มเบียร์และการคบเพื่อนต่างเพศในวัยเรียนเหล่านี้เป็นต้น วุ่ใหญ่เราก็ยังเห็นไม่ตรงกันแล้วอย่างนี้จะให้พวกช่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำอย่างไรเรื่องของเรื่องข้าพเจ้าจึงคิดว่าสถาบัานต่างๆควรจะได้ร่วมกันออกแบบเยาวชนไทยเสียทีตกลงให้แน่นอนว่าเราจะปั้นคนของเราให้เป็นอย่างไรแน่เสียก่อนถ้ามีแบบไปแล้วข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าฝีมือช่างไทยของเราตัววันนี้ ทำสำเร็จแน่แบบเยาวชนไทยนั้นเมื่อก่อนเราก็มีคือหนังสือสมบัติผู้ดีและธรรมจริยานั่นท่านว่าไว้ชัดเจนทำอย่างไรผิดอย่างไรถูกเปิดดูอึดใจเดียวก็ตัดสินได้และเป็นคำตัดสินที่เด็ดขาดปลุกการพลงอ้างท่านโน้นพาธรรมท่านนี้พาธรมเพราะแม้ท่านเองก็ยึดสมบัติผู้ดีเป็นหลักเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะวาดแบบเยาวชนไทยไว้เป็นหลักฐานและแบบที่จะออกมานั้นขอให้เป็นแบบไทยแท้ๆคือเลือดเนื้อเป็นไทยจิตใจมีศาสนาอาจเรียกแบบนั้นว่าแบบไทยพุทธก็ได้